โอกาสลงตาครับพอดีมีคนปากถามปัญหาธรรม yeah, uh, ะถามว่าถ้ารู้สึกได้ยินจังหวะของหัวใจเต้นแรงและพอหายกอดแล้วจะรู้สึกร้อนที่หัวใจบริเวณซวงอกด้านซ้ายหนูไม่ได้เฝ้าดูอาการนี้พอรู้สึกตัวอีกทีมันดับไปแล้วต้องเฝ้าดูอาการนี้หรือเปล่าคะคือดูดูให้มันให้มันให้มันรู้เรื่องของมันออื ว่ามันจะผ่านไปอย่างไงนั่นแหละกำหนดรู้อาการที่มันคือรู้เฉยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่รู้เราไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้อาการที่มันที่มันเกิดให้รู้เท่า น, นั้นแหะเดี๋ยวมันจะมันจะผ่านไปผ่านไปของมันเองแหละ มีครับรู้สึกเหมือนมีประจุบางอย่างาเรียกเองว่าเป็นประจุแต่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรผู้กลางตรงซวงอกรู้สึกเห็นตอนเกิดแวบบแล้วก็หายไปก็ยังไงก็เวลานึกถึงคนที่ชอบหรือเวลาตกใจรู้สึกเหมือนมีประจุบางอย่างาเรียกเองว่า เป็นกระจุแต่ไม่ทราบมันคืออะไรวูบตรงกลางซวงอกรู้สึกเหมือนตอนเกิดแวบแล้วก็หายไปนั่นละนั่นแะสัมปยุทธท่านเรียกว่าจิตสัมปยุทธพอนึกถึงคนที่รักที่ชอบรู้สึกมันตุต๊อบตุบๆ๊ตุต๊ตตขึ้นมา ใ, ใจมันผิดผิดปกติน่นะท่านเรียกว่าสัมปยุทธะธรรมมา ทำที่ไปสัมปยุทธให้เกิดอาการผิดปกติเหมือนเกิดประจุอะไรขึ้นมานี้เวลาเราโกรธให้ใครไปนึกถึงสิ่งที่โกรธมันจะเป็นอาการ น, นั่นมันเป็นอาการของอาการของกิเลสนั่นแหละอาการของความรักความชอบอาการของความโกรธความไม่พอใจอย่างการให้รูป ให้รู้ที่ผู้ไปรู้อาการเหล่านั้นนี่ยคือสติเรียกว่าสติรู้ที่ใจรู้ที่ใจและถ้าเราจะใช้ปัญญาพิจารณาด้วยบ่เออนี่มันเป็นอาการเกิดขึ้นเพราะความไปสัมปยุตในสิ่งนี้และสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเพราะแต่ก่อนมันไม่มี แต่พอมันมีอาการอย่างนี้มันจึงเกิดอาการอย่างนี้ก็สรุปว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปข้อต่อไปครับบางครั้งไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่ดีๆก็มีอาการร้อนตรงกลางซวงอกด้านซ้ายหนูรู้ว่ามันเกิดไม่ได้ตามดูตลอดแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นรู้ตัวอีกทีมันก็ดับไปแล้ว มันก็เป็นของเกิดดับอันเดอะอันนี้มันเป็นอาการเกิดเกิดจากเกิดจากธาตุก็ได้เกิดจา ก, ก, จากาธกกาตุเกิดจากความหมุนเวียนของาธาตุที่มันไม่สมดุลกันมันไม่สะดวกตามวิธีของเขามันเกิดร้อนเกิดเย็น อะไรต่างๆเนะี่ยมันร้อนมันก็เรียกว่าธาตุไฟกำเริบถ้าเย็นก็นเป็นธาตุน้ํากำเริบถ้าการหมุนเวียนก็นเป็นธาตุลมกำเริบอย่างนี่แหละธาหาว่าหนักหนักนวงก็เป็นธาตุดินมันกำเริบเนี่ยเข้าใจเรื่องอาการของธาตุแต่ถ้าอาการเกิจกดจากจิต พราะความไปสัมปยุต์พราะความไปนึกคิดอะไรสัมปยุตกับอารมณ์อะไรมันเกิดอาการนั่นแต่เดมันเกิดเพราะความสัมปยุตของจิตก็ให้รู้ที่จิตเกิดแล้วมันก็ดับไปทั้างั้นอ่ะจะเป็นอาการของจิตตัวเกิดดับอาการของธาตุตัเกิดดับเข้าใจความเกิดดับไม่ต้องไปสําคัญมั่นหมาย อะไรต่อไปข้อต่อไปครับอ่าเวลาอยู่เงี ย, งยบๆคนเดียวมักได้ยินเสียงจังหวะของหัวใจตัวเองเต้นเวลาเอ็นหลังลงนอนจะได้ยินชัดมากปกติเวลาจะหลับหนูก็ดูลมแต่ถ้าจังหวะของหัวใจเต้นมันชัดมากชัดกว่าควรจะเปลี่ยนมาดูรู้อาการเต้นนี้แทนหรือไม่คะคือดูดูได้ทั้งสองอย่าง ดูได้ทั้งสองอย่างเมื่อมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนมันไม่รู้สึกว่าอะไรเต้นจะเหลือแต่ความรู้วันเดียวพอรู้อยู่จุดนั่นอันนี้มันยังสัมผัสกายอยู่กิจยังสัมผัสกายยังรู้อาการว่าใจเต้นชาเต้นเร็วเมื่อมันละเอียดเข้าไปมันวางกายมัน ก็จะเลี้ยดแต่ความรู้วันเดียวไม่มีเต้นชาเต้นแรงการปฏิบัติของหนูถูกต้องหรือไม่คะต้องเฝ้าดูตลอดหรือไม่เกี่ยวกับไฟร้อนไปเย็นหรือไม่คะและควรจะทำอย่างไรต่อไปคือปฏิบัติที่ถูกก็ให้มีสติรู้ปัจจุบันไม่ให้เผลอนั่นแหละเป็นปฏิบัติที่ถูก